อัฏฐาสะวัตตะว่าด้วยวัต18ข้อในปบพาชนียกรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสงลงปบพาชนียกรรมพึงประพฤติ ช, ชอบการประพฤติ ช, ชอบในเรื่องนั้นดังนี้ 1. ไม่พึงให้อุปสมบทสอง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 ไม่พึงงดปวารณาแก่ปกตัตะภิษุ 13. ไม่พึงทำการไต่สวน 14. ไม่พึงเริ่มอนุวาธาธิก่อน 15. ไม่พึงขอโอกาสภิกษุอื่น 16. ไม่พึงโจทย์ภิษุอื่น 17. ็ด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 ภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเป็นประธานเดินทางไปกีดาคีรีชนบทได้ลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุชื่ออัศชิและปุณพสุกะให้ไปจากกีดาคีรีชนบทว่าภิกษุชื่ออัศชิและปุณพสุกะไม่ควรอยู่ในกีดาคีรีชนบทภิกษุชื่ออัศชิและปุณพสุกะ ถูกสงลงปรับภาชนิยกรรมแล้วก็ยังไม่ยอมประพฤติชอบไม่หายเยื่อหยิ่งไม่ยอมกลับตัวไม่ขอขมาพวกภิกษุยังด่าบริพาธการกระสง์ใส่ความว่าทําเพราะความชอบเพราะความชังเพราะความหลงเพราะความกลัวหลีกไปบ้างศึกไปบ้างภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอาย มีความระมัดระวังฝ่าการศึกษาตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนภิกษุชื่ออัศชิและปุณพสุกะถูกสงลงปรับภาชนิยกรรมแล้วก็ยังไม่ยอมประพฤติ ช, ชอบไม่หายเย่อหยิ่งไม่ยอมกลับตัวไม่ขอขมาพวกภิกษุยังด่าบริพาทการะกะสงใส่ความว่าทำเพราะความชอบ เพราะความชังเพราะความหลงเพราะความกลัวหลีกไปบ้างสึกไปบ้างแล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ